และก็เป็นอัตราที่คนรจะเริ่มอีกเหมือนกันอัตราอัตมาโมนาโถวตนเป็นผูของตนเพราะบาลมัาสตาได้่าวว่าตนเหมือนกันแต่ต้นของพระพุทธศาสนาไม่มีกิเลสว่าสมมุติก็ไม่มีกิเลสพูดเรื่องสมมุติก็ไม่มีกิเลสพูดเรื่องไม่สมมตก็ไม่มีกิเลสเพราะท่านไม่มีอุปทานกอยู่ในทีน่านเราจะพูดนิพพานนิพพานอราหันอ ร, ราหันตสักเพียงไหนก็าตามเราก็ไม่ได้เพราะกิเลสเราไม่มีเพราะกิเลสเราไม่อยู่นั่น ถูกไหมเออท่านจะพูดสมมุติหรือไมพดก็ไม่เป็น ก, ก็ไม่มีพิษค่าคๆกับปลอยที่มันแช่น้ำแล้วมันก็ไม่มีพิษท่คนเุราุมศาสตราพูดอะไรไม่มีพิษจะว่าสูอย่างนี้ก็ไม่มีพิษบางคำท่านก็บอกว่าสูสู๋ทางหรายจงมาดูโลกนี่ในธรรมอวิชาร์เห็นไหมบางที คำว่าพูดว่าสูงมันไม่ใช่คำหยาบพูดแบบลูกลันลันบางทีก็ท่านทั้งหลายบางทีก็เธอทั้งหลายทาอท่านพูดพูดอะไรมันก็มามีพิษท่านทุกคนไปแล้วเราไม่พ่นมันก็คอยแตะจะพิษทั้งนั้น่แหละทาไมรักษามันพิษจริงจริงพวกเราท่านนั้นรู้ปมาเหมือนมีดเฉือนน้ำเฉือนวันยังข่ํามันก็ไม่มีรอยนอกบินในในอากาศบิวันยังค่ําก็ไม่มีรอย จะถ่าย เ, เทียบก็ไม่ได้น่ะไอ้พวกเรามันยังไอ้พวกมันก็คอยแต่จะผิดถ้าไม่รักษามันก็ผิดจริงๆพระทหารรักษาจิตรหรือไม่พระรักษาพระรหรไม่ได้รักษาจิตเพราะการมาวยตกไม่มีเพายาบาดวิตกไม่ ม, าาว ม, มีวิหิงสาวิตกไม่มีก็ไม่ได้รักษานี่ถ้ารักษาพระรหารรักษาจิตอยู่ก็ทุกเป็นทุกเหมือนคนคุมคุมรักโทษเพราะเกงมันจะรักหนี จะทํากิจยังไงให้มันดีกว่านี้ไปพระละหันไม่ได้นึกไม่ได้ดักใจแต่พวกเรานักใจเพราะเรายังไม่พน้นเราจะทํากิจยังไงมันจึงจะดีกว่านี้ผู้ยังไม่พน้นผมก็ต้องพยายามอย่างนั้นผู้ที่พ้นแล้วนรักษาประเพณีเท่านั้นโลกกวัชชะเท่านั้นเราเข้าไปในบ้านนาำพิม พ, พามากอดแข้งกอดขากอดคอเราก็ดีหรือกอดที่ไหนก็ดีเธอทั้งหลาย อย่าไปสงสัยเราเนอพระบรมศ า, ศาสดาพระอานนท์พระอานนท์เข้าไปด้วยนางเป็นพระก็มากอดแข้งกอดขาร้องอย่างนั้นอย่างนี้ทิ้งลูกทิ้งเตา้าทิ้งนิฉันไปหาสบาแต่ตัวคนเดียวร้องไห้ใส่พระบรมศาสาีรัตน์ปเทศเอาถึงพระศรดาวนนั่นได้ยินว่าพระบรมศาสดาฉันอาหารเมื่อเดียวนางก็ฉันด้วยนั่น เหตุฉะนั้นท่านจึงไปพุิพานด้วยกันพวกนี้ไม่ได้ประมาทกันให้พระราหุลมาขอขอทรัพย์แล้ขอทรัพย์คุณพ่อของเธอไปคุณพ่อคุณพ่ อ, ค, พอคุณแม่บอกมาขอทรัพย์เออสารีบุตรเอาทรัพย์ให้ลูกเราซะมาเพราะเคยได้ติด เคยติ้นนิดายเคยลงพระชารดบุตรมาหลายชาตหลายพบเคยได้อาศัยกันพระชายดีบุตรก็ไปโกน ห, หัวให้แล้วก็ให้บวชเป็นสา ม, มเณรซับภายในซับภายในซันี่แหละซับลูกเอ๋ยซับภายนอกมันจะบนเวียนว่าตายเกิดในวัฏสงสารไม่เอาซับภายในซับลูกนี่ตื่ขึ้นมาเวลาเชา่าเขาประกอบเวียนทรายมาหอให้ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมเทศนาะ ของครูบาอาจารย์ถ้าไม่หิไม่ทรายนี่เถิดได้รับยกย่องสามอย่างเป็นพุทธชินโวรสเป็นผู้รักใคร่ในการศึกษาสองอย่างแล้วหุน่นลวหุ่นกระจกนี่ไว้ทำไมนี่ไว้สำหรับสองดวหน้าพระเจ้าข้าปัญญาก็เหมือนกันนะสอนลูกรับรับรับ ปัญญาก็มีไว้สำเนียกเหมือนกันเหมือนกระจกมีไว้สำหรับส่องดูงาหน้าราหุนลาหุนลาหุ น, หนเธอรู้จักภาชนะน้ำเปล่าหรือไม่ไม่รู้จักพระเจ้าข่าคนโกหกพกลมฉันพูดอย่างนั้นภาชนะน้ำเปล่าคนโกหกพกลมนี่จะไม่ทำความชั่วเป็นไม่มีเลยนะราหุนนะไม่ข่าวหนึ่งก็ต้องข่าวหนึ่งนะ บางคนมีราบมียศพะกหกพกลมเมื่อกหกพกลมม า, มาแล้วโกหกพกลมเพิ่มขึ้นไปอีกก็มีราบมียศน่ะจําพวกนั้นไม่พ้นจากนรกเน้อพราะบรมศาสด า, านะ <c oughs> เรื่องเหล่านี้พวกท่านก็อ่านมาหมดแล้วผมพูดให้ของหลูงไว้เฉยดอก <c oughs> พวกท่านต้องเรียนมาหมดแล้วเนี่ย ฟังมาหมดแล้วทำแต่ละวัฏฏบาทส่งต่อพระนิพพานหมดอา้าททำไหนที่ไม่ส่งต่อพระนิพพานไม่มีอา้าวธรรมจาักก ะ, ะวัตตนสูตรก็พูดเรื่องสูตรของกายกับใจเท่านั้น ความเกิดความแก่ความเก่ความตายความมียกผัดผ้าความปรารถนาไม่สมหวังความดีใจเสียใจมีกิเลสสัมยุญกับนา ม, มขันอา น, นันตลคราสูตรก็พูดเป็นสองเหมือนกันย่นลงมาเป็นสองเหมือนกันลูกขันหนึ่งนามขันหนึ่งลูกก็เป็นรูกตามเดินเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามขันหนั่นอธิตตาพุทธายาสูตรพูดเป็นหกต่ย่นลงมาเป็นสอง ตาหูจมูกเลี้ยกายเป็นลูกขันใจเป็นนามขันทีนี่เป็นราคะโทสะโมหะขึ้นเพราะกำลังอันนั้นเ็ายังไม่นายจ้าคุตสิมิงปิณิบินนติรูปรีสุรปิิบินต น, บนติัุวิญญาณีปิิินนติจักขุธรรมะเสปิณิบินนตินายตานายหูนายจมูกนายงกายนายใจนายกาย นายสัมผัตตจสัมัตโสตัสัปัตขานสัมัตติทวหาสัมปัตตตายะสัมปัตตมโนสัมปัตก็นายหมดเวทนา6สซุปโสมนัสทวมนัสอุเบกขาก็นายหมดที่เวทนาสามซุปทุกอุเบกขาก็นายหมดที่พ้นก็พ้นไปหมดทีพูดคาเก่าพระบรมาศาสตามาไดพูดคำใหม่จึงตรองงับคาว่าเอสัทธรรมโมสันตโนพระธรรมนั่นเองเป็นของเก่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาเทศก็มาเทศ ทำมจากกับวัตนาสูตรก่อนทุกทุกองยกชาติพิทักาขึ้นคนหุ้งหนวกอาจได้ยินคนตาบอดอาจแลเห็นหน้าต่างปิดอยู่ก็เปิดคนข้องก็หลังตรง <Yeah. S 1> คนวบคนหงวกก็พูดได้เพราะรรมาจากกับวัตนาสูตรนั่นเป็นสูตร ที่ส่งต่อขึ้นถึงอ น, นิทกะกาอ น, นิทะกาเดวาสัตรมโนซาเวสุ่มไม่ใช่พรมกาจิกาทัา้รมจากยอดก็เรียนถึงพรมกาจิก า, กาผมที่มีรูปและผมที่ไม่มีรูปที่อรูปมันก็ถูกหมดคำเดียวท่านถูกหมดชาติพิทุกษาย่างนี้มันถู ก, ถกวกัดทั้งโลกธาตุเลยนั่น ข้าพเจ้าไม่ใ ช, ช่ข้านดอกข้าพเจ้าไม่ได้ทุกไม่มีใครไปคัดค้านได้อืชนะพิทุกขาข้าพเจ้าไม่ชนะดอกครับอืก็ไม่มีใครคัดค้านในทั่วทั้งใจโลกธาตุมันานําพิทุกขาข้าพเจ้าตายไม่เป็นดอกครับก็ไม่มีใครไปคัดค้านพระองค์ได้นั่นเนี่ฉะนั้นจึงว่าถูงหมดทั้งตจโลกธาตนนะุโสกปฏิเทวสุขโรมนัสชุ ป, ปายาสาพิทุขาเนี่ยปรารถนาอันใดไม่ได้สมหวังข้าพเจ้าก็ไม่เป็นทุก หรือได้สมหวังแล้วมาพัดผาไปข้าไปเจ้าก็ไม่เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์พัดผ้าไปก็เป็นทุกข์ข้าไปเจ้าไม่เป็นทุกข์ไม่มีใครคัดค้านได้นั่นที่นี่มันถูกหมดรมมาศึกชาผมเป็นให้ตามาพมมาปฏิตตาภาประมาลาภาอาพระตราปริตตาสุภาประมาณัสุภาสุภเกนอกาอสัญญาตตาเวหาภราอวิหาอัตปาสุตสาสุตสีน่ะเทศอยู่เมืองภราณสีนั่นแะ ได้ยินมดเพราะทางไตโรคธาตถูกหมดคนตาบอดก็ถูกคนหูหนวกก็ถูกประชาธิปไตยคนตาบอดมันก็แก่ก็เกลียวก็ตายเป็นใช่ไหมนั่นเรื่องความมีคาเราถูกมดเขาจะฟังหรือไมฟังมันเป็นปัญหามันก็ถูกหมดชาติชาธิปไตยยกพาสิทเดียวท่างนั้นน่ะถูกมด ต, กตั้งไตโรคธานตุชาติเป็นทุกข์คำชาติเราเป็นทุกข์ทั้งนั้น เป็นเทวบุตรเทวดาเป็นอินเป็นพรมเป็นพยมการเป็นเจตัโรกกบาลทั้งสี่มมีเงินเต็มเป็นฝ้าเป็นดินไม่เป็นทุกดอกอืพระบรมศาสนาไม่ว่าบอกว่าชาติพิทุกขาเลยไม่มีสันอุทธนั่นไม่มีสันอุทรเลยมีเงินเตร็มเป็นฟ้าเป็นดินก็ไม่เป็นทุกดอกก็มีเงินเต็มเป็นฝ้าเป็นดินเกรงเขาจะไปรักไขรรักหรอนเหมือนกันเกยงเขาจะปากคอเหมือนกันนั่นเกยงจะตายนี้จากมันเหมือนกัน่ะนั่น ถูกไหมขอเข้ากินก็ยากอะไรก็ยากหมดมันเป็นทุกข์าว่าชาติเป็นทุกข์แมันถูกหมดที่นี่อะไรเป็นชาติปรพบพบสามกามพบรูปพบอรูปพบพรานิดีในพบทั้งสามอะไรพาให้เกิดพบก็อุปทานสีกามอุปทานถือมันในกามทิฏฐุปทานถือมันในทิฏฐิ ในทางที่ผิดศีละพัตูประทานถือมันในชิ้นพจน์นอกจากพกระุทธศาสนาน่ะอะไรเป็นอุปทา น, นก็เวธนาสุทุบเบกขาเน่ยเพราะยึดถือไว้ก็พัะตามลงมาพัะตามลงหักสุดที่สุดก็ อ, อวิชชาเป็นต้นเหตุอวิชชาหมายความว่าอย่างนี้อวิชา วิชาชนะสัมปโ น, โนมาขมาลืมตาขึ้นเมื่อลืมตาขึ้นแล้วมืดหายหมดเมื่อหลับตาลงมืดกว่ามาเมื่อเป็นวิชาชนะสัมปโ น, โนแล้วมืดก็หายหมดเหตุฉะนั้นจึงตามลงไปถึงอเวิชาอาวิชาไปอาโง่ไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุทุกไม่รู้จากความหับทุกไม่รู้จากทางดําเนินไปถึงความหลับทุก ไม่รู้จักอธีตะไม่รู้จากอนาคตไม่รู้จักทั้งอัติต์ทั้งอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทที่เป็นสายโซ่เกี่ยวข้องกันสายโซ่ที่มันเกี่ยวข้องกันท่านก็อธิบายดีเหมือนกันนี่หวงของมันบางต้นบางปลาชาติช า, าพยาธิมรณะ อ, อ, อวิชาตัญหา เอาปฏิยาัาทัคาปิยาวิญญาณังวิญญาณปฏิญานามนุปังนามนุปปิยาสาะรสละสาพัทโซัสษาปฏยาเวทนาตันห้าตันหาอุปาทานอุปาทานปฏยาภวภวะฏิยาชาติชาติปฏยาชรามันังโสกปฏิเทวทุกโรนานุปายาสาปิสมมติว่านี่มันเป็นบวงคล้องอยู่ทั้นพทอธิบายอย่างนี้ถ้านายาติแล้ว มันก็นายหมดตัดท่อนในท่อนหนึ่งได้ก็ออกได้เพราะมันเป็นลูกโซ่อยู่อย่างนี้มันพ้องกันอยู่อย่างนี้ท่านบอกว่าไม่ยินดีในพบสิ่งเดียวท่านั้นก็ขาดแล้วเนี่ยไม่ยินดีในชาติสิ่งเดียวท่านั้นก็ขาดแล้วเยไม่ยินดีในอวิชชาสิ่งเดียวก็ขาดแล้วเนี่ยไม่ยินดีในสังขารวิ Lean, ญญาณนามรูปอายตนะพัสสะก็ขาดแล้วอันใดอันหนึ่งตัดท่อนในท่อนหนึ่งขาดก็ขาดออกไปหมดน่ <S <S ฮักลูกนี่ไม่ต้องเสื้อผูกขอ้อหักเมื่อนี่ไม่ต้องปอกผูกปลอก หากวัดถูเขาคลองนี่เหมือนออดักปอกไพรตีนนะครัตันหาซ้ำอันนี้มาขีนผูกไหวยในวัดตาสงสารเหมือนนักฟ้าเที่ยวเทิดเขาสู้เขตทช่วงนิดที่เขาไซดีเชี่ยนขาดว่าอาจจักพ่นที่ขนังท่วงเฮาจึงเลยให้สองกุ ม, มารทั้งคู่หลูกแกอยู่กับตนเป็นท่านแกผภามานาจานผู้เฒ่าอันคน้นควยเต่ขเข่าวว่าทวันนี้แล้วขพบีแล้วหน้าเขาเวสันนอนอนุโมทนานางตรงอนุโมธนาซะนะครับนั่งอนุโมทนาแล้วคร สาการณแพทย์ดินแดนน้อยวันสาวฝ่ากะนั้นหองคอกเงเสียงดังกององ้องทองตัวทองกพาะวามาหน้ามหาสมุทรกดตีนอกฟองฟาดท่นเสียขุข้อปออกศอกปอกกรติตัดวันใดวันนึงใดเมืกอไหร่ว่าเส้นตห้องนี้ตัดได้เต็มเลยห้องถือว่าตัดไ่ได้บอกห้องออกมาบวนลู ก, กอดข้อเพิ่มโปรยยิ่งพ่อ่าน แม่ตายแล้วเจ้าิตายนําบอกว่าสันคุณได้ข้อออกบวชพระนุนปัสสักเด้พอตายแล้วแม่ตายแล้วเจ้าิตายนัางบอกว่าสันมากอดพ่อนั่บักน้อยอายุแปปีวันก่อนบักเป็นจ่าอยู่นะ่ะตายข่าจ้านะ่ะคนมันนอกตายค่าจานาน้าเท่านั้นเลเท่า น, น, านัาาาา้นนะเมื่อไรยิคนมันนอกตายค่าจ่าฮะตาย่าจ้าตาย้าเสพเอ็ด่าะ ข้าพันอุปรคือ ก, กันออกบวชอุปสรรคออย่างไรเนี่ยเอยู่ข้าพันเอาช้ามี่ยมึงมาสั่นมึงคนขีตักมากได้เฮ่ไทยเป็นไท้เฮ่หน้าเป็นหน้าคุรุตัวดสตร์มึงมาสั่นไวเหอาในห้องวิจาระลงอยู่ละสั้นเมืองโอ้ยผู้ใดกับปติผนดอกมาสั่นผูกข่าวพิจารณาผตายเป็นอารมณ์ได้เสมอนี่นยสัญญามันตายเอาั่นนี่ มันโชคดีไอ well ้พ so well. <c oughs> ี i i ่ันเขาบว่ากับว่มันยอมันยันเขาว่าสันมันเขาตายก้อนพ่ันขันเป็นขันเผู้ขาตายก้อนแล้วเขาไปเอาผัวใหม่ปาเป้าพี่นนี่ยูาจะไปบวชพี่ันผู้ขาเลบวชเถอนึงแล้วสามภาษาแต่บวชเป็นผู้เบาผสอบรักษีแต่สองเถอพอสิบสามเดือนเขาไปสอบสิบเดือนนึงเขาไปสอบเศรษฐกิแล้วก็เลยมาลน่นลึกอันนั้นะ กูก็เป็นสังขารพ่อกูวะท่านสมบัติทั้งหลายก็เป็นสังขารพ่อสมบัติทั้งหลายท่านกูจิมาสางสังขารนี่มันไปว่รอดแล้ววะท่นถ้าไม่กูก็จไปว่านเนี่ยเหมืองแรงมากะซ่อมเจ้าของดูซ่อมเจ้าของดูปีนึ่งบางคนสังเกตมางคนเห่าเห็นมันเห็นแมมหางแม่ม่หรือเห็นผู้สาวคเดียวกันมันมันเสแย้นเสบานท่านโบมีดอ่อนซ่อน คือเห็นแต่ข้อมตายอยันที่โตสิตายตั้งแต่ตังต้ตงแต่ บ, บวชที่พอห้อวบบคนามาถที่ถีได้พอห่อซับซ่าเมียพ่บบบอี้ ล, าาลูกว่าสันไปเอามีป้ามาบวชท้่ลูกได้ไปันบวชปฏิบัติเว้าวัดนก่อนเขาเี่เมียสองคนเด้ผูหห้หนึ่งหางกันผู้หนึ่งดนลูกผู้หนึ่งพ่อมาบอกไปบวชในลูกผู้นึ่งว่าว่ไปหัวมันะวัดสัน เขาถือว่าขาไม่อาเราะไรนะใปอาไม่อีกไมด้ไปฆ่าลูกทุกสามคนเก้าปีในห้องใส่ศาตร์อยู่สามฆราวาสทุกเก้าปีอายุสามสิบสองปีอีกาิบสองสามสิบสองปีห้าจังลว่าปวดอีกได้บ่อนั่นก็เลยนับจะสามสิบสองมาี่สิบเก้ปีนีแล้วห้องนี่ทุกในโลกเนี่ยวัตเขาห้องเพื่อนเราเรื่องทุกห้องห้องขัดขัดไมใจ มาทุกท่าขามาทุกท่าขามาทุกท่าขาโดนไปเดียวนอดกลางผู้เขาผู้เดียว็นในนอนนอนบริกางมุ่งนอนเหียงเรียกยุ่มนอนเอียงเรยก่มไข่อะไรข่ะบอกเอาแขนสองงัดไว้มันกีงมันตะกี้ลงทั้งนอดกัร่วมหายใจเขาออกออกนั่นแขนสอกงัดไว้มันตะกี้ลงทั้งหัวผมบาดมี่กับผู้ที่ก็โกใหม่ไว้มันตะกี้ลงมันไปหาทำอะไรมันทามันมืด่อน นาวก็บ่ได้กินนาวก็ไ่ได้อาบมือไงตื่นขึ้นมาสีหูสีตาไปไปบิน บ, บาทรถทุงล่าหมวิ่งบินท บ, บาทรับพลเกสนผู้นั่ผู้พึ้นขึ้นหส่าตาไซผ่อหล่อหมาว่ักษ์เกาะเกาะแกเลยแล้วนลงหายใจเห็นปองแปงปองแปงปองแปงล ง, งเออขึ้นมาเดียวนี้ขึ้นมาแต่ปรเกดมาเดียวนี เืนอเคลืลังแล้วพรจกากหัวักสักขีเด่น่ปละมันทุกขร้ายนะน่าให้นี่กูมาจับหางมายุง่งหางไทยมายุง่งกับข้วยตัวนึงล่งซื้อรุ่งูซื้อให้เพี้ยงละพากเนี่ยมันทิมไทยแห้งมากเนี่ยมาั่นมันมาทัดข้อยเอาค้วยตัวง่ายให้มันมาสัน่นมันบัดิตทิมไทย ตปขั้วําเนาพันมันจมกระซงเนี่ยี่วังโหลดถาบันบอกขึ้นล้างมากลพราะอยางซักท่กินฝนเมื่อยินดีจังเม็เอาหอดเดียวเนี่ยไม่ได้ซังเม็ดเมืแต่น้าตาสีพังมันทุกวันยากหลายในโลกนี้กานเค็ดก็เค็ดท่านี้แ่ละทาว่าเ็ดท่านี่กับยังเสีลงแบบมลหอกโดนอยู่การพูดท่านี้สีลงแมลหกโดนนี่ได้เหเนี่ ้องสันว่าเอาแล้วน่องแม่ล้น่องแม่้มนึ่งแบบเออเอาละมาซุปซุกันกก็สันข้ลวัน่เสื้อก้ะมาอัดตากอัดห่งดังไรห่วงรูดจันก็ดิ้นตายเขาสันขันมันขันมันเป็นเสื้อมั่นอมันเป็นเสื้อจากองขันมันเ็เสื้อจากคลองทุเรศก็พี่ะ้าทุกบัดัน เมื่อใดเห็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมนายในทุกต่านแหลททางแห่งวิสุทธิอรรนพระโพธิเจ้าไม่นั่นบอกยะธาปัญญายปัจสติอสานิพตุตติทุเกยเอสาวโคอิสุติยาเมื่อตัวขยันมาพอแห้งตัวห้าวของบ่หงยาหงุษย์ ได้ขอใจซึ้งย้อนค้ดูจากของอีกเดี๋ยวเชียว่าเตือนสติตัวเองนึกคิดอีกว่าที่จริงแล้วพิจนาตสั่งว่าตานาเหมาะสมสาธุครับขอบคุณพิจนาทุกย่อันนี้นล่วงลงไปุกมันจะเป็นทุกีจริงครับก็คือยาพระพุทธเจ้าสอนเยคทุกตัวเสมอข้าสอนพระพุทธเจ้าม่ีความหมายอยู่บนไหนเสียเอ๋วจุดพระพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องต้นครับเล็กน้อยมันเกิดไม่ก็เอานมให้มันกิน เอากล้วยให้มันกินตัวขันยยไงเนี่ยสมข่วน ก, กินของแข็งเลี่ยล ก, ก็ปล่อยไปแล้วเอ้สร้างออกเถอเออที่แรกก็หัดยางอุ้มตัวเอานมให้กินเอากล้วยให้กินอนำขา ม, ขมกให้กินอันนี้ไงสมข่วนกระปล่อยท่านแล้วอันนี้ข้าวฟักมาสมข่วนปฏิบัติมาสมควนอ่ะก็พี่จะหน้าของทุกข์ระบ้อไปนี้มันพร้อมทุกลมให้ใจเขาออกคนอพร้อมทุรุ่มให้ใจเขา อ, ออกมันจังสีนัยทุกข ถาเราส้กันเานายทุกข์ละนายทุกข์อันเดียวมันก็พุ่นทุกข์ละทุกแก่ทุกแก็บทุกตายเห็นควบเกิดเป็นทุกข์อันเดียวก็บมีกําลัางเลยเห็นควบแก่เป็นทุกข์อันเดียวกัมีกําล่งอยูยเห็นควกินควขี่ควบนังควนอนเป็นทุกข์ก็มีกับร่างด้วกันนั่นแหละเป็นเหตุว่าหายไหวไก่ในว่าตาท้องสารพป่านนอนหลุมทานเพิ่งเพราป่านนอนหลุมมักตาแหน่เนี่ยอือนี่เรื่องเสียเสีย่นงาไกเยออ เวลาทานด้วยเนี่ยกินเข้าไปแล้วก็ไปมันกินของปฏิกูลของระธานนั้นเลยของมันต้อนสองขี่ย้อนแล้วงเนี่ยต้อนส่องกงขี่ยุ้พนงานคิดตลาดพนานคิดตลาดนัดสองกองขี่ยุ้เพราะว่าโตดีไปบอกเขาบ้าฟังครึ่งิงครึ่งยิแมนบอกเพี่ยคิดตลาดนัดสองกองขี่ยยรู้ความเสมในร่างกายของคนหนึ่งก็น้อง รำไส้ข้องเขาเนี่ยเขาไปท้ายทองเข้าแตงค้อหน่อยเขาไปทู่ให้บอกเ <c oughs> ขากระท้ายทองเัาซตัวเข้านี่กินมันจะเป็นยังไงในรำไสของเข่าันี่ทิตบ่ันมันโอ้เลือกไปหน่อยไปไป เป็นร้านใต้โตไปบวชนั่มญาติลูกฉันเด้อสันญาลูกก็เป็นพระลานแล้ ว, วสันนา่ยลูกมันใส่เนนเข้าไปในบ้านเน่นเข้าไปในบ้านน่ะ เ, เล่ไปป่วยฮะเนี่ววนนน ย, ยว่าคือนออกมาแท้เนี่ยนี่วะสันวาดเกิดยุคไก่วาดเดกทีเข้าไปหาเน้นเขาน่าสันเน้น่าป่วยไข่ไว้สันเขามาในบ่ยมันด่าเรื่องหนาวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปิดไข่ไว้สันเน่นไดน้สัน คอยมาหาเจ้าแต่คิดใจคอยหันุปาผมได้ไหมครับหยุดปาผมได้คิด่อยใจคอยแล้ครับอยมาหาเจ้าท่านอยไปปลาเมื่อไรคอยขจิข้ามไปนาะคิดใจคอยมากยุนเจ้าหอดมาเห็ น, นเจ้าจนะ็คิดใจคอยพันยุปาผมนั่นะมาเห็นตัวข้านะั่นแหละเน่นนั่นกันอ้ยเขอะไรเขามานฮอดเนี่ยนี่ มาพักกูนี่มาป่วยยังนี่คิดใจคนน้อยก็ยุวัดน์พูดให้เดียวนี่นยุวันวันเดียจะ ก, กพาา่องม่ว่าสัน่นขัานคนน้อยไปว่าได้คน้อยกะทคาดไปคือจังงูนี่จะไปด้วยอกเพราะั่นได้จลึงแขนหลานมากมาหอดเครื่อางเทศกัดม้าลำ่างในสมเด็จพระหลนนั่นมูโตก็รสืเห็นต้อยอยู่ในเทละประวัติอย่งที่ผเห็นนั่น คุณว่ามาดี่ันมาดีแสีฟาดบาทเดียวแล้วทสามหยดนั่นอันนี้ลหละไปทานี่อะไรเนยม่แต่สิชมูเ้นบออม่ามานี่วมาซักเดี๋ยวเอาให้ย่างท่าเียหม่าขออยู่แล้วมึงกูจะิบมือสิยดหัวเก็ได้ เออเอ้าต้อาเอาที่ยงไหมมาเที่ยมปตีกันเ้ี่ยหรอววก็พูดเขาโยก่อนจะปะตีกันเนี่บอกเขาใชะะ่นนเนี่ยไหว่าโยนจากเสีมือแน่มาสนนอกเนะี่ยจะฟอกกับกำกับปัญรายอยู่สนนอกเนี่ยเาซื้อเคเขาม่เป็ยงอรอเป็นว่ามันเขาดีรุ่อองฉันบอก่ามันกำเป็นหัวเสียมือมัยังสืไป อันนี้ที่มามาเอาส้นหาบอ่ะทบอ่ที่แปเอาอันสี่เอาก็ได้บอเอากับทเอาวิ่งเอาก็ไรอยู่ขอนึเว้นนั้นข้อสองเว้นนี่ข้อสามเว้นนี่ข้อสเว้นนี่กเจแปดดนนี่มูตซีเว้นเอาก็ได้บอเอากับบ็ไปยังเอา้นหัวูซาก็ยุ่ห้่นีมูตมูาไปเจาะือบุคคลบอคตักอยู่นะตัก ะกระสินนี่น้ำจะคลองอันนี้คักคือทอดก่ต้องออกอะไรเึ่นกันนั่นเนาะเว้นรดเว้นรถชิวาน้ำกลนภาพมนได้กรสร้างคันบเว้นมันกระซายมาได้อะโออื้อซื้อมาเขียนอ่อสาโภเจ้าฮ้าไหนเว้นเอารดเรือเท่าเรอ โตมากิอ่เป็นนี่จะยิ้มอะไรต้องเอต้องขยรอกไม่ขอาเดกต้อาดเข้าจเข้าใครับค้อนทั้งหลายเย็นไปหมด พุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาเป็นกลองรับเริงกองรับเริงคืออะไรก็คือพระพุทธศาสนามีทานวัตสีละวัดปาวนาวัดนัดเวียงคิดใจให้ดับเพิงคอยไม้เงื่อนใจ เพราะเอาน้ํในเมืองใจแบบแก็เอาเมืองตามงเมืองหอเมืองจมูกเมืองลินเมืองกายก็ไม่ทางับเวลาอีกด้วยในั้นจึงบอกเครื่องมืออันเธอือนมีพุทโธธมอสังโค เป็นพระอาจารย์ใหญ่โตหัวฐานอยู่ที่ร่วมใจเป็นเิตที่มีฟูด้วยมาครบคหลานลรบกี่ไหมเออผู้หญิงเหรอคะเออ ตัวสมทรโขงตัวสมุทรโขตัวสมโขตีใหม่ขอนตีใหม่แต่ว่าใกล้จะตายกว่าปีกายนี้ตัวสมุทรโงไปกล้วันกันตัวสมุทรโขกระชุบกระชุบุตัวสมุทโกกระชุบกระชุบอ่งวูอายุวะสุขกรัอมากลให้มัสสุอัสสุอสสุอัสสุอัสสุอัาสุ มี่คู่โรงเรียนสงศิษฐาลูบมาเขากรมาทานมาหอดได้ค่ะนงยังมอนเห็นน้าอวิจันทร์เนี่ยจะได้ไม่ีพินดีพระเจ้าบุกงูจากท่าผันนูผันปีตันมันขึ้นไปไปพระอธิการก็เลยเชียนท่าให้พระเจ้าพระเจ้าจักงูว่าหลูมามามาตือนบนบนไ่ได้เห็นเลยคือางลึกหัสแต่ครับรถตามหนูคะรถตามมาได้มากสองคน เขาทำอไรทุกคนตอนออกนเป็ น, น อ, นอันเป็นคนธรรมดาค่ะกระดุ้งไส้กรุร้สยยงส้ยว่าเขาวิปัสนาแต่สิบหนึ่งค่วิปัสน า, าแกไปเลี่ยนดูนเรื่องหนอกานมาจแกเป็นคน้นเบาเ้าไหมคะเป็นบเบาเบาซึงใ น, นทเกี่ยวกับสังขารเกี่ยวกับปัญญา ควารู้ในกองสังข า, า, ง า, งข า, ารเรียกว่าปันญาสังขารนี่ใส่สังขารที่มันแกะกองแล้วมันมีแกะกองเดีขึ้นแล้วก็แปรพลังแล้วแปรพลายความรู้ในกองสังขารเหล่านี้ให่เมื่ตามเป็นจริงเรียกว่ามือเป็นทอ เรื่องหลงนี้เกิดขึ้นแนวกาเฟปนและแตกกระายไม่ได้อยู่อำ น, น, นาจวัฒนธของทันตแพทยเหียบความปัญญาในพระชนา์ธาตุในหน้าใจลมที่ควบคุมกันอยู่ของขนและวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจใตัความปืด ใช่พ่อใส่ยายใช่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแับเป็นธาตุินธาตุน้ำมีลักษณะที่สูงเศร้ามีดีเสดน้องเลือดเหนียวมังคุดเปรือมันน้ำลายน้ำมูดต่างๆน้าไข้ข้อน้ำมูดเรานี่เป็นธาตุน้ำ ไฟที่ยังกายให้อบอุน่นไฟที่ยังกายให้สุดโฉไฟที่ยังกายให้กระโวลขวาไฟที่พออาหารให้ร่อยก็เรียกว่าภาพไฟเพราะมีลักษณะอบอุน่นลักษณะพัดไปมาลมพัดขึ้นบนบนลมหายลมเรอลมอวก ลมเอื้อมลมในพ่อลมในใส้ลมหายตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะเป็นท่าลมคือเรานี่มาผสมปัะสารกันเข้าเราเรียกว่าลูกขัน นน้ามขันน้ามังปลาว่าชื่อมันนิเวศนาความสาวไว้อารมณ์ทุบทุกอเวขาสวมนัทโทมนัทปรีเลเวศนานเวศนาหกจะคูสัพพะสชาเวศนา พาไปรห็นรูปสวยวนามีสุดทุกุเบขาเป็นต้นแล้วแต่กรณีของสิ่งที่ชอบและไม่ชอบหรือเฉยๆเขาตัก ส, สมัครสายชาเวจาราชาสมัครสาชาเวนาริวหาสัมรสาชาเวจารายะสัครสาชาเวนาร์มโนสัมรสายาชาเวนา ทุกบ้างทุกบ้างโอเวคขาบาจะมีท่าไรก็ตามสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นแล้วแรง p u และแจกสลายท่านั้นสิ่งที่เป็นลมเป็นนามนี่หน้าที่เกิดขึ้นนี่หาที่แรง pull นี่หน้าที่แจกสลายพระพุทเจ้าครับ เี่ยมาอีกนี่เก้าน้กาน้เอาเก้าน้ามาเก้าน้ำมาเก้นี่หนเ้ามุมอยู่อ่ เห็นบอกเออเกลนะฮะมาเนะแล่ะนย่อืมรัชนาได้รับแล้วหรือยังกระหมาย เป็นที่จุใจไหมล่ะเขียนนังคือเป็นที่จุใจไหมหรือยังไม่ถูกที่มันจุใจตอนนี้นก็าถาม <c ười> ถ้าแก้ยังไม่ตกประจุใจตอนไหนก็ต้องถามไม่จุใจตอนไห น, น <c ười> อันนี้น้ํำพึง่งเออเข้าใจอ่ ลงในนี่นะเดี๋ยวก็ลงมไในำไส้อันเดียวกันพระบรมศาสดาบวดมากใหม่ใหม่ไปบินสบายผ่านเมืองราชคือไปพบพระเจ้าพิพิสาร มีอะไรมีน้ำพริกมีแกงอะไรคราเทใส่โดยใส่ใสบายสบายของพง์พง์เกิดทำพงค์เกิดทำทั้งเลกเหมือนอาเจียน เมื่อปงทำช้างเวทแล้วเข ร, รมศาสตราก็เลยกล้าฉันสอมตัวเนียงว่าเธอหวังจะรื้อสัดดอกกวัตาสงสารเธอจะได้สำหรับกับข้าวมาแต่ที่ไหนเธอขอคนอื่นเรื่องชีวิต แล้วเ็เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆด้วยเธอจะมาขยักข ย, ข ย, ข ย, ะ ย, ะขยั้งแถวนี้แล้วผมแก่ข ง, งของเธอจะไปรอดหรือเธอลองศ า, าสตราพยะนาแล้วก่อนโดยฉันพอกลืนลงไปก็รถชาติของอาหาร ไปทุกผมผมผมผมผมไปทุกคนทุกแห่งถ้ารู้จกักตามสมมติว่าอร่อยหรือไม่รอดีผมโมลมาสซาราเป็นชาติแบบนีด้วยออกบวดไปคนเดียวเผี่ยวกายาไม่มีเพี่อน้องไม่มีคนรัก้คร แ้ ม, มันมีคนรักศร อ, อยู่6กปีจึงสำเร็จเป็นพระหรันต์พระธรรมสุภัเจ้ า, า, าจอย่างเด็มที่พวะโกนทันยะวะปะพัทยะมหานามะอัตชิคนทันยะวะปะ มหานามอัติกโกนพันโลเนพันยะวะปะพัทธิยะมหานามะอัตติกิลืมพัทธิยะที่วิมานว่ามีวละสุมาอาสุภาหุปุณณชิคอมปตินั่นอีกดอกสิริพ พวกท่านสำเร็จพระแล้วองคท่านก็ว่าบอกว่าไปไปไปไปไปประกาศประสาทศาส น, นานเนอะใครต้องการทำบัญชาที่ไหนก็ทำบรญชาตามสติกําลังของตอนเถิเดแต่เราจะไปทางหนึ่งองค์ท่นอยู่กับเราด้วยอง์นี้อยู่กับเราด้วยเวลาเราเจ็บป่วยพ อ, อไร้ร่างบาศ พอได้รับใช้รับสอยไม่ได้ว่า<ม>เลยเลยถ้าศึกษาข้อเราเนี่ยแต่พอบ่นแล้วก็หาผู้ประถา ม, มาแล้วที่คณนาดูก็นึกรละอายองค์พระพระองค์รั้งกัน เานนั่นก็ผ่านอุปสรรคมากก็บารมีเต็มตื้นมาแล้วถึงขนาดนั้นทำไมถึงอุปสรรคถึงพบอุปสรรคอีกมากมายเป็นฝ่ายเป็นกองมากเพราะลงทุนมากพระพุทธะจริยารองพุทธเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าโลกัตถะจริยารองพุทธเป็นประโยชน์แก่โลกยาติถะจริยา จะมุขพูดเป็นประโยชน์แก่พญาหรือฐานโดยฐานพญาลงทุนรงแรงมากพวกเรามาได้ลงทุนขนาดลงท่านหรอกเาเป็นสาวกัคคูพุทธฆ่าสีจําพวกสัมมาธรรมพุทธฆ่าจำพวกหนึ่งก็เจกพุทธะจาพวกหนึ่งสาวกโอพุทธะจาพวกหนึ่งสาวิกาพุทธฆ่าจพวกหนึ่งแต่ละจำพวก พ็มาขอรอาโกดซึ่งเป็นทํามอันเดียวกันสาสนาอื่นๆมีตั้งหมื่นตั้งแสนก็าตามมารวมกันเข้าก็ไม่เที่ยวพระพุทธศา ส, าสนาเช่าเม็ดงานเดียวเพราะเหตุใดเพราะคำสอนของศาสตร์อื่นๆเป็นคำสอนที่เป็นโลกี ตวหัวหน้าของศาสดาอื่นก็เป็นโลกิยะวิสัยเราดีนี่เองไม่ใช่โลกุตระไม่ใช่พระสดาวานันไม่ใช่พระตาคารีไม่ใช่อนาคามีไม่ใช่พระหลานเนื่อฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงยืนยันในมหาปรินิพพานสูตรคือสุภะทะประกาศูทถวาย ศาสนะอื่นๆไม่ได้ดื่นทุงเถถ้าเขาไม่ประมาทยัญญาพิทีของเขาเขาจะเป็นสุปจรปโนชุยยายะสามีได้หรือไม่เขจาจะฆ่าอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยเราไม่พูดข้อข้างตัวเราพูดข้อข้างธรรมะนอกจากศาสนะพุทธแล้วไม่มีสุภจิปโนไม่มีอุชุไม่มียายะไม่มีสามีจิ นับทางมรรู้นับทางผลรู้แม่ครบอัาฉริยาภริษกุคลานี้จะตายแม่ครบทั้งคู่ทั้งสี่ทั้งสีู่ส่สี่คู่คืออะไรบ้างเวลาดามิเตมักเวลาดามิผลเป็นคู่ที่หนึ่พระคาถาคามักพระคาถาคาไมผลเป็นผููที่สองอนาคามไมมักอนาคาไมผลเป็นคู่ที่สามอารหัตตะมักอรหัตตะผลเป็นผููที่สี่ นับเรียงองค์เป็นบุคกลเป็นแปกหนึ่งโดาปฏิมัตโซดาปติผลสสักคาาคายมัตซีสักคาาคายผล5อานาคายมัตห 6. อานาคายผลเ็ดอารหัตตมรตอารหัตตผลเอซ่าพาุกคาวโตซาวาคาซังโคนี่นักศึกษาว่าของพวกมีมาภาเจ้วยืนยันเทนนนนา่านั้นไม่ได้ยืนยันว่านีายนั้นนี่ายนี้เป็นเ า, า ว, วของรอง ยืนยันเชสายนั้นนปพระสูฆ์ <c oughs> นังเพศหญิงด้วยแต่เพศหญิงหรือเพศชายที่อยู่คราวาสที่สำเร็จศพจุ ป, ป, ปโนชุยยะสามีกินั่นเป็นเพศคลาวาสไม่ต้องมารวมอุโบสถนสักกรรมกับพระเป็นเป็นปันที่ตัวมาวาสังเป็นวันที่เป็นผู้ครองเรือน วันที่เป็นผู้ครองร้นก็คือทุกชนิดทุทปฏิปันโนอุชุยายะสามเอกิจนสามเอกินั่นไม่ได้ครองตือ น, นพอสร็จพระอรหันแล้วก็ไม่พ้นเจ็ดวันก็เข้าออสู่อนุปาที่เสสนิพานสิ้นลมปรานไปเสียเพราะเหตุใดเพราะเหตุเพศฆราวาสไม่สมท้าของพระอรหั น, นจะไปอยู่พอปยนายแต่ทํามาบวชสั ก็อยู่ที่นอายุขัยแต่ก่อนนั้นเรามาก็ทรงคารวสาตลอดอายุขัยพวกพระหันฝ่ายต้าโลกพวกฝ่ายบบนี้บุคคลฝ่ายฝ่ายฝ่ายมีได้บวกมีมากบ้านนารันทาคามก็มีมากเมืงองราชทึกก็มีมาก ทุกคนทุกแห่งจนเกือบนับไม่ไหวภูมของทุปติปโนปฏิบัติอย่างไรบ้างมีชื้อห้าบริบูลไม่ถือาศาสนาอื่นมาประทุนกับบนเมื่นอะไรมุกทุกประเภท การค้าขายก็มีเขตวีแดนไม่โล่งละเมิดค้าขายเร่ประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเรืสัตว์ที่ตัวฆ่าพอเป็นอาหารค้าขายน้ำมอค้าขายยาพิษการค้าขายให้อย่างนี้เป็นข้อห้ามเล็กไม่เสียดายอยากกระทำแห่งสุภาษิตโน เพราะว่าปันทิตโตกัลมาวะสังหมายตั้งแต่พระสดาวันขึ้นไปจนถึงพระอนาคามีพูดควมามเรื่องใครชับยังตัวมีสติแต่ เรือนที่เป็น <c oughs> พระอนาคามีการมาลพเจ้าละขาดไปไม่มีนะครับถ้าสันดาขององค์ท่านความวุห่หยิบขององค์ท่านก็มาาไม่มีอาฆาตไม่มี การไม่ตกพยาบาทไมตกวิหิษสาวิมตกความีในท่านการไม่ตกความตริในทางกามพยาบาทไม่ตกความตริในทางพยาบาทวิหิษสาวิมตกความตริในทางเวียนไม่มีในองค์ท่านราคานีจะมีผู้ครองอยู่ก็ตามอารมณ์ขาดไปในทางก ร, รมอารมณ์หรือโทสะลมหรือ โมหะลมอันยาบแต่เขายังมีโมหะล <podía> มอยู่เราจะพูดวกรานาคามเป็นผู้เลิศกว่าเขาทั้งคันตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาทั้งคันตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลิศกว่าเป็นผู้เสมอเขาทั้งคันตัวว่าเลิศกว่าเขา เป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าสมมุอเขาเป็นผู้สมมติเขาสําคัญตัวเร็วกว่าเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาสงคันตัวว่าเลิกกว่าเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นเพผูอผู้เร <pet> ็วกว่าเขาสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาเพราะท่านไม่สำคัญตัวใดใดทั้งสิ้นอันนั้นเป็นภูมิของพระหลานพระหลานไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดทั้งสิ้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วย สิ่นั้ที่เกิดมาก็เป็นเรื่องของเกิดมาสิ่งน้าที่แปรปรวนก็เป็นเรื่องของที่แปรปวนระดับไปจะเกิดขึ้นอีกกี่ร้อยกี่พันเขาตามรู้จักกินรู้ผลสภาพธรรมารมัยเขาตามทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยไม่เป็นเพียงประวัอดีตอนาคตปัจจุบันอันในใดทั้งสิ้นเพราะรู้ในอดีตเพราู้ในานาคตเพราูในปัจจุบันพขาไม่มีเว้นพระอนาคามียากที่คือในบุคคลบางคนหรือพระจดุบางสิ่ง หรือในสุ ข, ขเวทนาสุ ข, ขเวทนาที่ภาวนาไปไปติดสุขอยู่สนสระอรหันต์มันจะติด อ, ไอะไรรู้เท่าทันเทียมถึงหมดหมือก็ไปหมดแล้วส่วนพระโสดาวันมัคู่ครองเรือนมากเหมือนกันพระสังฆาคารเนีก็เหมือนกันพระอนาคารเนี่ยก็เหมือนกันยิดต า, า, าเพื่อนะครับสดีนั่น เป็นพระอนาคามีขอ ง, งเรือนเลยเหตนั้นจึงยืนยันว่าตอนที่โตฆราวาสังครมาตัวนี้เป็นตัวขอระครังวะสังฆราวาสังเป็นผู้คอ้องเรือเราทุกคนเราทุกคนเนี่ย พวกขี้บุกขี้วี่งแล้วพวกเล่นอาวาัยมุกกับพวกคองเรือนเป็นสวนว่ะคองคองวุ่นวายทีนี่วันไหนอาวัยมุกออกเรกออกรถจะชนกันตายวันนั้น ไม่ต่างจังหวัดก็ดีไม่ไม่ไดกรุงเทพเราไม่ทราบคำสอนใดในใจลกธาตุไม่เหมือนคำสอนในพุทธศาสนาสอนื้องต้นสอนให้ทำมาหากิจชีวิตในทางที่ชอบและให้แบ่งเวลาออกปฏิบัติศีลธรรมด้วยเพื่อให้ใจสูงแต่เอพาะสปนร่างกาย จเจ้าอาหารหรือเครื่องอุปโภคบริโภคมาให้เท่าใดมันก็ไม่มีวิธีที่จะสูงขึ้นก็มีวิธีแต่จะแก่จะเก็บจะตายลงไปส่วนจิตใจก็ต้องมีธารนวัตธีรวัตภาวนาวัตจึงจะนะวันที่จะสูงขคือพระพุทธศาสนาเป็นวุตรที่มีพ่อมีแม่และเป็นศิษย์ที่มีครูไม่ใช่ศิษย์อ่านตามอัตโนมัติไม่ใช่โรคเกิดตามอัตโนมัติ โลกคณะสาตว์ที่บวชตรงนันกันเพรฉะนั้นจึงมีคําสอนรัดไว้ว่าไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามาบัญญัติขึ้นไม่สอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมมาทา น, านศึกษาย่างเสียข้าวหลุดตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้คผิดซื้อหหเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับซื้อผิดซื้นั้นเชื่อฟังพทอดําของข้าม แม้รู้อํนนานาจแก่ควอยากที่เกิดขึ้นยินดีในเสนาสนะป่าตั้งใจอยู่ว่าต้นผู้สืสนันนิษฐานซึมงเผู้มีศีลที่ยังไม่มาสุวรวณเขาให้มาที่มาแล้วพขาให้อยู่เป็นสุขประสุขทำเหล่านี้มีอยู่ในท่านผู้ใดท่านผู้ น, นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายดีอออภิญญาณวิริยรรมเกิดอย่างทําให้เป็นที่ตั้งอย่งความเสื่อม เร็นไปพวกเจริญฝ่ายเดียวเรี่อเอาปัญหานี่ยทำมีเชียดอยา่างสอนใ้วัดถึงไหนมาสอนสอนี่พระบรมศาตราถ้าทำอะไรไม่มงงดูความสอนพระบรมศาตราก็คล้ายๆกับว่านักก่อส้างทิ้งแ ล, และดับน้ำทิ้งดินทิ้งไว้เล็เกน้อนก็ไปไม่รอด เครื MM. ่องวัดเครื่องสวงเครื่องวัดเครื่องสวงก็คือเครื่องสวงหินสวงทรายเป็นต้นไม่แม้แต่เด่นแล้วระดับน้ำลึกดิ่งกรตรงหรือไม่ตรงเสียงกันอดิ่งมาแล้วก็หมดเรื่อง ระดับน้ามสูงทางไหนเขาเรีนไม่เสมอกันเริยนที่ผูกก้าเอาระดับหน้า ม, มาแล้วขาหมดเสียงกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าผู้คลองเรือนไม่ว่าผู้อยู่ในคาราวาสจะไม่มองดูแว่นดวงใจแว่นดวงธรรมไปไม่รอดแว่นดวงใจแว่นดวงธรรมคือกสอนในพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนหมดเลยพระเจ้าตัวพระพุทธศาสนาดได้ไม่ได้ได้ในทางคําสอนไม่ถูกและคาสอนเป็นคำทีเพ็จด้วยก็ไม่ถูกอีกไม่ได้ว่าก้าวตูวจึงทรงพรนามเต็มภูมิอย่างไม่ประมาว่าสัทธาเทวดานมนุษสานังเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายอย่างเผียท้ายเลยทีหาหนาทางหนาทางเตะ บันนสาสุริศารัาประกาศพรมจันท์ในพุทธบริษัทเปลี่ยนที่หนาดในค ร, รัาา้งค้าคมรรมศัตรามี้ศัตร้าเดียวท่านี้ใน ย, ยุกโลกทุกยุคทุกสมัยพระพุทธเกา้าองค์ไหนมาก็เป็นพรรวรเร า, ารามบัณฑ อ, อันเก่า ถ้าทวินัยก่อนก่อนไม่ใช่อันใหม่ไม่ได้ดับแปลงแก้ไขใหม่งาองนะก็มาทำเทธรรมาเทปธรรมจักรปรตสตนะหนูก่อนเขเป็นสูตรเรียกเหมือนกับจักสุธรรมจักสุคือดวงตาเห็นดำไม่ใช่จักกลระมันใช่เครื่องจักเครื่องกลจักสุธรรมจักสุนั้นคือดวงตาเห็นดำเห็นด้วยวิธีไหน ถึงข้อเกือบแช่เก็บตายเปนทุกขถึงการปฏิวัติเพื่อลอักลอบเกิดแก่เก็บตายและโลกโกรลงจับว่าเป็นมัด <Okay. S 1> เมื่อทําให้แก้งลูกแกล้งในขั้นท้าทันดานลก็จะได้เป็นนิโรธไม่ใช่นิโรธสมาวัตนิโรธสมาวัตอันหนึ่งต่งางหาเมื่อพี่กะหนทุกข์เป็นอารมณ์อยู่ขอ้องอารมณ์้างใจเศร้า สมุทัยแล้วทุกบ็บรรเทาไปมัดก็เจริญขึ้นในตัวนิโรธก็ทำให้แก่งไปในตัวนั่นไม่ใช่ว่าเจริญทุกแล้วก็เจริญสมุทัยจะเจริญมัดว่าเจริญนิโรธไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเอมอันเรียงแบบนั่นทุกเป็นผลของสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดนิโรธเป็นผลของมัดมัดเป็นเหตุให้ถึงนิโรธมันเชื่อมโยงกันอ ย, อย่างนั้น เชนเราจันังก็ถูกเงื่อนถูกกระดูกม้องกันเชนเราเห็นหน้าก็เห็นตาเห็นแก้วกันนองกันอันเดียวคนคราเป็นเชือกสีเขียวอันนี้ซักสีจริงยางกระเสือดรัศโลว์ระยะซักสีนั่นจะเองจริงยางกระเสือดอันนี้ักสีนันครบแปดหมื่นที่เขาทำอาคารหรือไม่ก็เขบกแล้วย้นลงมา ในลูกปลานําปลาต้มยิอยู่สองอย่ข้กันชาติพิทก์ขายคณะพิทักษขามานำพิท <mummy, S 3> mm ัก hmm. ษ์ย่นลงมาหาลูกขันชักเพราะเป็นตนเป็นตัวไม่ทราบตีดินน้ำเพลิงจงตันทีนี้ตัวก็เทุกโทงนักปายาสาพิทักษะเบยร์้ามหโยโรโอทุกโผคนปารนาอะไรสมหวังมีสิเลสผสมด้วยจัดเป็นนามขันทีมี้ิเลสผสมด้วย มีรูปขันนาำขันเท่านั้นเราทั้งหลายถ้ามาหลงรูปขันนาำขันแล้วมันก็เข้าสู่พระนิพพานหมดถ้าเบื่อน่ายคาเมลในรูปขันนาำขันเนี่ยก็เข้าสู่พระนิพพานกันโดยหมดถ้ามาทําให้รูปขันนาำขันมีเลนีภัยในวัฏจองรฐานแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานถ้าทําให้รูปขันนาำขันมีศีลสมาธิปัญญาแล้วเต็มภูมิแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานเหมือนกัน